บางคนฟังซีดีหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งสองเดือนเขาเป็นคนใหม่ไปเลยไม่ใช่ใหม่ในการปฏิบัติเขามีชีวิตใหม่เขารู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะมันหลับอยู่ตลอดใจเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเขาเห็นกายเห็นใจนี้ทำงานได้ เห็นมันทำงานได้เองไม่ใช่เราใ น, ในเวลาไม่นานหรอกถ้าเราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็ลงมือสังเกตเอาบางคนเรียนเร็วบางคนเรียนช้าพวกเร็วค็เร็ว่หน่ากลัวนะเร็วมากเลยเร็วจนพวกที่เรียนกับหลวงพ่อมาหลายปีเนี่ยวันไหว พวกที่ยาชาเนี่ยพวกหนึ่งก็ติดเพ่งมาถึงวันนี้น้อยลงแล้เพาะพวกนักเพ่งเนี่ยทนหลวงพ่อไม่ไหวที่ทนหลวงพ่อไม่ไหวเพราะหลวงพ่อก็ทนเขาไม่ไหว <c oughs> มาทีไรก็จวกให้พวกติดเพ่งชอบนั่งสมาธิให้นิ่งกี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นั้นแหะ ทำไมพูดเต็มปากเต็มคำหลวงพ่อนั่งสมาธิไม่เยอะแล้วนั่งสมาธมิตั้งแต่เด็กนั่งอยู่ยี่สิบสองปีไม่ไม่เว้นเลยฝึกทุกวันทุกวันตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วมันก็เห็นไม่เห็นมันจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรขึ้นมาจะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านไปทำสมาธิอีกก็สงบอีกแล้วก็ฟุ้งซ่านอีกวนเวียนอยู่แค่นี้ นานๆไปช่วงหลังๆนะพวกที่ติดเพ่งเนยะลดจำนวนลงแต่หลวงพ่อทายนะว่าในอนาคตนะ่ตัวที่จะทำให้พ่อนายากคือพวกคิดมากพวกคิดมากกำลังเจริญพัน์ในยุคนี้จำนวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคนคิดมากนะถูกสอนให้คิดมากแต่ไร้สาระ เราลองดูคนชอบแสดงความคิดเห็นเยอะอี๋ยงนี้นะแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าไม่แสดงนะเขาจะนึกว่าฉลาดกว่า น, นั้นบางคนนะแสดงแล้วเขาเลยรู้คนรุ่นหลังๆน ะ, นจะเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นมากขึ้นมากขึ้นส่วนทรงชานนี้น้อยลงน้อยลงงินแนวโน้มของคนที่มาเรียนกรรมฐานเนะี่ย ตัวที่เป็นอุปสรรคมากต่อไปรุ่นข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องสมาธิแล้วแต่เป็นเรื่องฟุ้งซ่านคิดมากคิดจะหาความรู้ทางธรรมะด้วยการคิดพิจรารณาด้วยการใช้เหตุใช้ผลตรึกตรองเอาพวกติดเพ่งพวกนี้ติดฝ่ายดีเป็นการบังคับตัวเองมาจัดอยู่ในกลุ่ม อาตากลิลมัฐานโยกพวกคิดมากฟุ้งซ่านพวกนิยมนตกไปข้างยอนข้างกามสุขาริการโยกฟุ้งซ่านไปฟุป้งไปตามอารมณ์พระเจ้าท่านบอกว่าพวกเพ่งพวกอัตากลิลมัฐานิโยกจะลอยขึ้นพวกกามสุขาริการโยกมันจะจมลง เงี้นคนที่เข้าฝึกสมาธิอย่างสมัยก่อนๆเขาฝึกสมาธิกันเยอะถึงไม่ได้มักได้ผลนะแต่เข้าไปสุขติคนรุ่นถัดไปเนี่ยน่ากลัวมากเลยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปนะมีแต่ความเห็นวันนี้ไปอบายบางคนก็บอกไม่เห็นกลัวเลยไปอบายก็มาจากอบายแหละ กลับบ้านเดิมเห็นจะกลัวตรงไหนเราลองวัดใจแล้วนะเรามาจากไหนเนี่พอตังเกตได้นะพื้นใจของเราเป็นยังไงใครมีจิตใจที่เปรี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามาตั้งแต่เด็กเลยมีไหมอ่อนโยนเมตตากรุณาไม่บ้ากามอย่างี้มีไหม ไม่มีเลยเรอไม่ได้มาจากปรมาโลกเลยเนาะใครเป็นคนรักศีลรักธรรมมงรักความดีอะไรเงี้ยไม่กล้าทำชั่วไม่กล้าทำผิดศีลพวกนี้ก็มาจากที่ดีนะคนไหนกรดทั้งวันมัน้งมีไหมโอ้คนไหนฟุ้งซ่านทั้งวันฟุ้งซ่าน คนในโลกทั้งวันมีไหมมีน้อยน้พวกโลกพวกหลงเยอะภูมิเดิมเราพวกหลงมากพวกเนรฉ า, านแต <c oughs> <c oughs> ่งเกณฑ์แม่สัตว์มันอยู่กันฝูงใหญ่ๆมีเยอะนะจํานวนปลาบางฝูงมีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวอยู่กันเยอะแยะเลยดูแมงวีสิที่วัดตอนหน้าร้อนนะแมงวีมอยู่กันเยอะนะ อยู่กันเป็นฝูงเบ้อเลกเลยต่อไปข้างหน้าคนมันคงเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะทั้งๆที่ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเลยแนวโน้มนิ้มไปทั่วๆโลกนี่หลวงพ่อพ่งอ่านข่าวเจอประเทศอังกฤษทบทวนเรื่องระบบการศึกษาระบบการศึกษาทำไงคนแย่ลงเรื่อยๆคน ถึงขนาดตั้งเกณฑ์ น, นะว่าจบมัธยมจะต้องท่องสูตรคูณได้มันต่ำขนาด น, นั้นนะของเราอีกหน่อยจบมหาวิทยาลัยต้องร้องเพลงชาติได้มันเก่งนะเก่งแต่ความอวดรู้อวดดีนะเก่งแต่อวดดีส่วนความรู้ความสามารถ ที่จะทําทตัวเองให้พ้นทุกข์หรือทําประโยชน์ให้คนอื่นให้สังคมเลยไม่ค่อยมีที่จริงหลวงปู่มั่นท่านก็เคยพูดนะคนมันเก่งแต่ความอวดตัวอวดดีนะความรู้ความสามารถที่จะทําทตัวเองให้พ้นทุกข์ไม่ค่อยมีอนนี้มันก็เป็นมานานแล้วหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆงั้นเราอย่าปล่อยเวลานะเราอย่าทำอย่างคนส่วนใหญ่เขาทา ชาวพุทธเป็นคนส่วนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่พุทธกาลนะเราเป็นคนส่วนน้อยตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางดํารงพระชนอยู่เพราะาชาวพุทธจริงๆนั้นต้องอาศัยการพึ่งตัวเองอาศัยสติอาศัยปัญญาของตัวเองช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์คนส่วนใหญ่มันออนแออยากพึ่งคนอื่นอยากพึ่งเทวดาพึ่งพระเจ้า พื่งคนอนนพึ่งคนนี้ไม่พึ่งตัวเองงันมันก็มีรัฐที่มีศาสนาที่ให้ความรู้สึกว่ามีที่พึ่งพึ่งก้อนอิดก้อนหินก็ได้พึ่งต้นไม้ก็ได้ไปสร้างเทวรูปขึ้นมาแล้วว่านี่คือที่พึ่งของเราก็มีที่พึ่งเยอะบนไทยส่วนใหญ่องไปดูคุณภาพเราแย่มากเลย เราเพึ่งต้นไม้วันหวยออกเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยมันเวาเนะ <c oughs> ใกล้วันหวยออกนะต้นไม้จะสดใสคนชาติอื่นมาเห็นคนไทยดูแลต้นไม้จะทึ่งเลยนะ <c oughs> เอาผ้ามาพันเด้่อยกลัวต้นไม้หนาวนะผ้าแดงมาพันทุบเตียนมันจุดนะ <c oughs> แต่พอหวยออกแล้วก็ <c oughs> มาฉีดรถต้นไม้นะั้น มันพึ่องอะไรอย่างนี้แหละสัตว์ประหลาดเราก็นับถือริงจกสองหางเราก็นับถือสัตว์ที่การชัดๆเลยคนที่คิดพึ่งตัวเองมันมีไม่มากหรอกนะเะั้นคนที่เป็นชาวพุทธได้จริงๆมีไม่มากคนที่เป็นชาวพุทธได้ต้องเข้มแข็งพึ่งตัวเองช่วยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลคําสอนของพระพุทธเจ้า เต็ไมไปด้วยคำว่าเหตุผลทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายเกิดและฝ่ายดับฝ่ายดีเรามีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นเหตุแล้มีนิโรธเป็นผลมีความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นผลถ้าฝ่ายชั่วเรามีตัณหาอาวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุ มีผลเป็นความทุกข์ในคำสอนของพระเจ้าเต็ไมไปด้วยเรื่องเหตุผลท่านไม่ได้สอนให้เรียกร้องอ้อนวอนขอผลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ท่านสอนถ้าอยากได้ผลอย่างนี้ต้องทำเหตุอย่างนี้อยากได้ผลอย่างนี้ต้องทำเหตุอย่างนี้นะเคยมีคนหนึ่งนะไปถามพระพุทธเจ้า ว่าฝังฟังที่พระองค์เทศนะร่นแต่สอนให้ทําเหตุที่ดีแล้วมีผลที่ดีทั้งนั้นเลยพระองค์คงไม่รู้จักเหตุที่ชั่วดูสิไม่คิดขึ้นมาได้ยังไงท่านบอกโอ้ยท่านก็รูนะ้เหตุที่ชั่วเช่นนอนตื่นสายบิขี้เกียดอยู่นั่นแหละนะหรือเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นอนะไรอย่างนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังยาวเช่ไ ในคนนี้ฟังนะลงกราบเรื่อมใส่ศรัท ธ, ธาโอ้พระองค์แตกฉานจริงๆ ร, รู้ทั้งทางดีและทางชั่วอัศจรรย์นะอัศจรรย์นะคนประหลาดอย่างนี้ก็มีนะประหลาดมนุษย์นอะมันมีเรื่องเหตุกับผลผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลถ้ามีเหตุก็เกิดผลถ้าเห็นดับผลก็ดับ ในอริยสัจสี่ก็มีเหตุกับผลเหตุกับผลอยู่สองคู่มีสมุทัยเป็นเหตุมีทุกข์เป็นผลมีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธเป็นผลถ้าเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลก็เข้าใจธรรมะโดยง่ายสิ่งทั้งหลายไม่ได้เกิดมาลอยๆสิ่งทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ไม่ได้เป็นอยู่เพราะเราสั่งหรือเพราะใครสั่งหรือเพราะเทวดาสั่ง สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็มีถ้าหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับงั้นไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรถ้าเข้าใจธรรมะตรงนี้เป็นพระโสดาบันก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตอนที่อุปติสสะคือภาษาริบุตรนะ ยังไม่เจอพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้บวชชื่ออุปติตตะเป็นปริพาชกปริพาชกเนี่ยเป็นสำนักที่ชอบโต้เถียงทางปรัชญาเป็นนักโต้เถียงใช้คำพูดตักตลาดนะโต้เถียงกันแสวงหาความรู้ด้วยการเถียงกันคล้ายๆพวกกรีกนะพวกโสเครติสกอะไรแกเป็นนักโต้เถียงชั้นยอดนะแต่ว่าพบว่า ลัที่ของอาจารย์สันชัยที่ท่านเรียนอยู่ด้วยไม่เห็นจะทำให้พ้นทุกตรงไหนเลยเถียงชนะเขาได้เ็าดีใจชนะเขาหมดเถียงกับใครก็ชนะหมดเลยแต่ไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนท่านก็เที่ยวแสวงหาทางพ้นทุกต่อไปวันหนึ่งนะไปเห็นพระอาชิมิณฑบาตดูจักพระอาสิบไม่ หลวงพ่อไม่รู้จักจาได้แต่ชื่อ <c oughs> ก็เราเก่งนะรู้จักท่าน <c oughs> อุปติสสะไปเห็นพระอาสชิเรียบร้อยเดินบินธบาตเห็นไหมพระบินธบาตสำคัญนะเดินบินธบาตหวยแตกชาวบ้านเขาไม่นับถือเดินบินธบาตงดงามชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็ศรัทธาเรื่อมใส มีตัวอย่างคนที่ศรัทธาเรื่อมใส่เกาเห็นผู้บินธบัติผ่องใสงดงามสำรวมก็คืออุปติสระนี่เองบางทีพระเราบินธบัติช่วยเดินไม่ดีแสงหน้าแสงหลังเดินเร็วเดินช้าไม่งามเห็นแล้วก็ไม่ศรัทธานี่พระสัชชิเดินบินธบัติหน้าศรัทธา อุปติสาก็เดินตามเห็น ไ, ไหมมารยาทงามถ้าเป็นพวกเรายุคนี้นะะต้องรีบไปดักหน้าหยุดก่อนหยุดก่อนพระหยุดก่อนทำไมท่านถึงผงใสนักนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยถ้าสัมภาษณ์เดี๋ยวจะไปเขียนลงเฟซบุ๊กนี่เงี้งเงางี้เงาขาสาัตย์ดบุตรอุปติสาเรียบร้อยนะ รู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาถามธรรมะพระกำลังบินธบาติอยู่ไม่เดินคุยไปเรื่อยๆเสียหายสิก็เดินตามไปห่างๆทำไมถ้าเป็นเราเราจะรีบไปซื้อข้าวมาใส่บาตรท่านเลยจะได้บินธบาตเสร็จได้คุยเร็วๆอุปติสาวก็เป็นนักบวชเหมือนกันไม่ได้มีเงินไปซื้อข้าวเราก็เดินตามไป ถ้าเซจีบินทบัตได้แล้วก็ไปฉันเข้าถ้าแต่ก่อนไม่ได้กลับไปฉันที่วัดตร อ, อยุคนั้นมีวัดอย่างมีวัดมีอยู่แล้วเนวะรุวันเพราะว่าอุปติสาไปหาพระเจ้าที่เวรุวันท่านบินทบัตได้พอนะท่านก็เข้าข้างทางนั่งใต้ต้นไม้ฉันเข้าฉันเศร็จนะอุปติสาก็เข้าไปกลาบถามว่า ศาสตาของท่านอาจารย์ของท่านสอนยังไงพระอาสชีท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่รู้น้อยเนี่ยท่านท่านเรียบร้อยนะท่านพระอรหันต์นะท่านบอกท่านบวชใหม่รู้น้อยกลัวว่าจะตอบไม่ครอบคลุมคําสอนของพระุทธเจ้าอุปติสาบอกบอกมเถอะท่านมีหน้าที่บอกแล้วผมมีหน้าที่ทําความเข้าใจ ท่านก็บอกนะทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวสอนอย่างนี้ฟังเท่านี้ได้โสดาแล้วตรงนี้มันก็ครอบคลุมเรื่องของอริยสัจทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไแห่งธรรมนั้น อะไรเกิดแต่เหตุทุกนี้เกิดแต่เหตุอะไรเป็นเหตุตัวสมูทยัยท่านแสดงความดับเหตุเมื่อตัวมรรคนาไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกตัวนิโรธเยธรรมาเหตุปพภาวาทาใดเกิดแต่เหตุนี่สอนเรื่องตัวทุกข์สิ่งใดเกิดแต่เหตุ ตัวทุกข์เกิดแต่เหตุพระธรรคตรเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนี่สอนเรื่องสมุทยัยและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่คือตัวนิโรธพระธถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้แหละถ้าท่านรู้จกักทุกข์สมุทัยนิโรธท่านก็เข้าใจมรรคละถ้ารู้ทุกข์มันก็เป็นอนราสมุทยัยอนราสมุทัยมันก็แจ้งนิโรธแจ้งนิโรธก็เกิดมรรคนั่นแหละ เนี่ยท่านพระอัศจิพูดสี่ประโยคเนี่ยคลุมอริยสัจสี่ไปที่จริงคลุมด้วยสามประโยคแรกเท่านั้นทําใดเกิดแต่เหตุคือตัวทุกข์พระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคือตัวสมุทัยและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นความดับสนิทแห่งทุกข์คือตัวนิโรธถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านก็เกิดโสดาปติมัต พวกเราฟังอีกพันเที่ยวไม่ได้เนาะบารมีมันต่างกันนะท่านสร้างบารมีมานานนักหนานนะจนได้รับพยากรว่าจะได้เป็นอัครสาวกตั้งอาสงไขยแสนมหากับนานของเราภาวนาเนี่ยหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์นะว่า คนคนหนึ่งนะถ้ามีศรัทธาแล้วเริ่มภาวนาเนี่ยใช้เวลานานไหมนึกว่าท่านจะบอกว่าเป็นกับๆนะท่านบอกไม่นานหรอกถ้ามีศรัทธาขึ้นมาแล้วนะลงมือปฏิบัติจริงจังแล้วนะไม่เกินเจ็ดชาติหรอกอะไรอ่างเงี้ยองนี้ความรู้ท่านเยอะแต่ท่านสิ้นไปแล้วะเรเล่าให้ฟังได้ชื่อหลวงพ่อกิมภาษาเขมรนะคาว่า g ิมไม่ใช่แปลว่าทอง ไม่ใช่อาจารย์ทองใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่พวกเราพวกเราถึงได้แค่นี้ไงถ้าสะสมมาเยอะคงไปรวดเร็วหรอกแต่ก่อนที่คนอื่นเขาไปเร็วนะเขาก็ช้าอย่างเรานะแต่เขาไม่เลิกเขาพักเพียนไปเรื่อยเนี่ยเป็นเรื่องเหตุกับผลนะธรรมะ อะไรเป็นตัวผลตัวทุกข์เป็นตัวผลอะไรเรียกว่าตัวทุกรูปกระนามนี้แหละคือตัวทุกข์ตัวขันหานี้แหละคือตัวทุกข์ตัวสมุทัยตัวตันหาความอยากอยากอะไรก็อยากมีความสุขอยากพ้นจากความทุกข์ตัวนิโรธคือความดับสนิทของตันหานิโรธนิพพาน คือความสิ้นตัญหาหน่าเรียนนะอริยสัจเนี่ยเรียนอริยสัจแล้วอู้สะใจธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยฟังเราตื้นตื้นฟังเราตื้นจริงๆนะแต่เวลาเราภาวนาใจเรารู้เราเห็นอริยสัจนะในขณะที่ทาสมาธิอยู่ความรู้ความเห็นอริยสัจเกี่ขึ้นมันลึกมากเลย แต่พอออกจากสมาธิมามาปัญญิภาษาขึ้นมาเนี่ยมันตื้นไปหมดเลยเรื่องอริยสัจที่พวกเราต้องเรียนนะคือเรื่องว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุ ท, ทยัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคเรื่องที่สองที่ต้องเรียนนะทุกข์นั้นเราต้องทำยังไงกับมันเรามีหน้าที่ยังไงต่อทุกข์ มีหน้าที่ยังไงต่อสมุทยมีหน้าที่ยังไงต่อนิโรธมีหน้าที่ยังไงต่อมรดเนี่ยรู้ตรงนี้ไปแล้วก็ภาคเพียรทำไปทำกิจต่ออริยสัจไม่ใช่ทำอริยสัจนะสิ่งที่เราจะทำกันนี่คือทำกิจต่ออริยสัจไม่ใช่ทำอริยสัจทุกเนื้อทำทุกให้เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าทุกคือรูปนามขันห้า หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้รูปนามขันห้าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับปัจจุบันรูปนามในอดีตไม่มีเพราะดับไปหมดแล้วรูปนามในอนาคตไม่มีเพราะยังไม่เกิดให้การปฏิบัติเนี่ยทิย้งปัจจุบันไม่ได้เราจะรู้ทุกข์คือรู้รูปนามรู้ขันห้ามีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเอง แต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านไปก็ไปอดีตไปอนาคตมันไม่ยอมรู้อยู่ในปัจจุบันยังเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าร่องลอยไปที่ไหนรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันนี่เรียกว่ารู้ทุกอยู่รู้ทุกไม่ให้ละทุกไม่ใช่เกิดสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาเช่นกิเลสเกิดขึ้นทำยังไงจะละกิเลสได้ถ้าไม่ได้สอนให้ละทุกท่านบอกให้รู้ สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือตัวขันห้าหรือรูปอันประกอบกันเป็นร่างกายเหล่านี้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เรียกว่าเวทนาความจําได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขารความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าบิญญาณา์หรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุกข์ หน้าที่ต่อทุก์คือการรู้รูปใดกำลังปรากฏอยู่ก็รู้นามใดปรากฏอยู่ก็รู้เพียงแต่ว่าการรู้นั้นเหลื่อมกันนิดหนึ่งการรู้รูปรู้รูปที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเป็นปัจจุบันขณะการรู้นามตามรู้ไปติดติเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ตินี่เรียกว่าการรู้ทุกข์รู้อย่างที่มันเป็น ใจเราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนถ้าใจหนีไปอดีตไปอ น, นาคตไม่มีขันห้าไม่มีรูปนำนะรูปนำในอดีตดับไปแล้วรูปนำในอนาคตยังไม่เกิดสมูทัยให้ละเบื้องต้นละด้วยสติเบื้องปลายละด้วยปัญญานะเบื้องที่สุดละด้วยอริยมรกนะมีสติรู้ทันใจที่อยากเช่นเราภาวนาอยู่มันเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมา อยากหายรู้ทันใจที่อยากพอวนาอยู่เกิดความทุกข์อยากหายรู้ว่าอยากพอวนาแล้วใจเกิดกิเลสเห็นกิเลสขึ้นมาอยากให้ละกิเลสรู้ว่าอยากหรือพาวนาแล้วใจฟุ้งซ่านอยากจะสงบรู้ว่าอยากเนี่ยรู้ทันความอยากมีสติรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นความอยากจะดับชั่วคราวเดี๋ยวเกิดใหม่ ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความอยากจะดับอัตโนมัติเพราะความอยากจริงๆเป็นโลภะนี่บางคนอาจจะสงสัยว่าใอ้โลภะมันก็อยู่ในกลุ่มกิเลสอยู่ในสังขารขันมันก็อยู่ในกองทุกข์ทำไมมาให้ละตัวนี้ละ่ะโลภะมีหมวกพิเศษนะสองด้านถ้ามันยังไม่รุนแรงนะเป็นราคะธรรมดาๆนะให้รู้เอา แต่ถ้ามันเป็นความอยากที่รุนแรงขึ้นมานะอันนี้ต้องละลนะไม่ตามใจมันนะะละด้วยสติแต่ต่อไปจะละด้วยปัญญาละด้วยอริยมรรคนะรากเง่าที่แท้จริงของตัณหานะคืออวิชชาอาวิชชาเป็นปรมาจารย์ของโมหะของความหลงเป็นหัวหน้าของความหลง ศัตรูของความหลงคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะโมหะปัญญาขั้นสุดยอดเป็นปัญญาในอริยมรรคเป็นปัญญาในอริยมรรคเป็นวิชาคู่ปรับกับอวิชาอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจวิชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจาการที่เราคอยมีสติรู้รูปนามไปเรื่อยนะรู้ไปตามธรรมดาไม่ให้ความอยากครอบงำ รู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยสติศีลสมาธิปัญญาค่อยๆแก่กล้าขึ้นจนถึงจุดที่แก่กล้าสุดจิตนี่ยอรหัตมรรมก็เกิดขึ้นมันรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกกองทุกตัวสุดยอดเลยที่รู้แจ้งแทงตลอดแล้วมนุษย์อรหัตมรรมคือจิตเองคือจิตผู้รู้นี่เอง เพราะพวกเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นตัวสุขตัวดีตัววิเศษเอาจิตผู้รู้เป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝกักตายหวงแหนรักษาเมื่อวันที่สติปัญญาแก่กล้าจริงๆนะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกนี่เรียกรู้ทุกอย่างแจม่มแจ้งนะก็าลาสมูทัยเลยนะมันหมดความยึดถือในจิต หมดความยึดถือในจิตดวงเดียวมันก็หมดความยึดถือในโลกทั้งโลกเลยเพราะจิตนี่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยที่จิตดวงเดียวคือปล่อยโลกทั้งโลกเลยใ่ไม่เข้าไปยึดอะไรอีกต่อไปพรู้ทุกแต่มแจ้งแล้วต่อไปสมุทัยจะไม่เกิดวิธีละสมุทัยในอรหัตามรักนะคือรู้ถุกรู้ถูกแล้ว สมุทยจะไม่เกิดอีกต่อไปเลยละทีเดียวเลยละด้วยการรู้ทุกข์นั่นแหละไม่ใช่ละด้วยสตนะิเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ขันนี่คือตัวทุกข์สมุทยใดๆก็ไม่เกิดขึ้นอีกสมุทยทั้งหลายมันก็เป็นแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นแค่นี้เองก็มันมนรู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่ารูปนามกายใจขันหมันคือตัวทุกข์ ความอยากที่ให้พน้นทุกข์คือความไร้เดียงสาความอยากที่ให้มันเป็นสุขก็ไร้เดียงสาความอยากจะไม่เกิดขึ้นรู้ทุกข์นั่นแหละคือการละสมุ ท, ทยัยในขั้นสุดท้ายเลยแล้วละครั้งเดียวแล้วไม่ต้องละอีกต่อไปแล้วและในขณะนั้นนิโรธก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนแล้แต่ถ้าไม่ได้มานาัสิการถึงก็ไม่ปรากฏให้เห็นถ้ามานาัสิการถึงก็เห็นเลยไม่ต้องหา พระราหันเห็นนิพพานตลอดเวลาไหมเห็นไหมพระราหันเห็นหมาได้ไหมเห็นหมาเห็นแมวก็ได้นะไม่ใช่เห็นแต่นิพพานแต่แค่มานัศสิจารนะแค่ระลึกถึงก็ก็อยู่เลยไม่ต้องเที่ยวปฏิบัติอะไรหลวงปู่ดูลท่านถึงสอนนะบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัตต จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งในความหมายของท่านนะคือเห็นจิตเป็นกล่องทุกข์นั่นเองเป็นมักคําว่ามักของท่านเนี่ยท่านพูดแบบออมๆไปที่จริงจิตเห็นจิตอย่างแ จ, แจ่มแจ้งเป็นอารหัตต์มักนะหน้าที่เรานหน้าภาวนาไปทีแรกก็เห็นอารมณ์เกิดดับไปจิตเข้าไปยึดอารมณ์ก็รู้ทันนะแต่ไปจิตจะไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเกาะ นี่จิตเข้าไปยึดรูปไปรู้ทันเราไปจิตไปยึดจิตจะรู้ทันค่อยๆมัค่อยๆละไปตามลำดับตามความยากละลมง่ายที่สุดละจิตยากที่สุดแต่ไม่เกินสติปัญญาพวกเรานะเราฝึกของเราไปเรื่อยวันหนึ่งเราก็พ้นไปชนได้ไดแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นพอดีพอดีสำหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ยากเกิน เชิญไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ